พระบ๊หลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนกลาบขอโอกาสพระจันทร์ไทยสารกราบขอโอกาสพระจันทร์ยุกิกลาบขอโอกาสพระจันทร์มนนกราบขอโอกาสพระจานทร์มันทนชัยกราบขอโอกาสจากพระจันทรย์สุรินก็โอกาสจากพวกเราเพื่อนซาธมิกนะฮะและว้วก็ จเจริญพรเหมือนอย่างแม่ชีแล้วก็พวกเราเนาะอุบาสกบาลิกาประจำที่มาอยู่ที่วัดสุกโตก็เจ็ดเดือนเต็มเต็มเนาะตั้งแต่กลางมกราเป็นต้นมาก็เรียกว่าขาดขาดกิจวัตรปกติจะเป็นบิณฑบาตก็ดีจะเป็น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 ท่านเจ็บคอเจ็บคอแล้วก็กลืนอาหารไม่ค่อยสะดวกแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดานะปลายปีที่แล้วก็อากาศยเย็นๆใช่ไหมฮะอากาศเปลี่ยนอากาศเย็นปีนี้ปีที่แล้วก็อากาศก็เย็นต่อเนื่องกันยาวคนก็ป่วยกันเยอะป่วยกับอากาศก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นเรื่องของ ความเจ็บป่วยในลําคออะไรต่างๆนั้นเป็นหวัดเป็นเรื่องต่างๆก็เพราฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อบอกก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะอยนั้นหลวงพ่อก็รู้จักดูแลตัวเองเรื่องอยู่เรื่องอยาเนี่ยก็ไม่ได้นั่นอะไรก็เป็นคําปะละลบที่ท่านบอกให้เราฟังเราก็ฟังเอาไว้แต่ว่าตอนนั้น่ะ ก็ไม่ได้อยู่นะฮะก็ไปเดินทุดงอยู่ยังไม่ได้กลับเข้ามาพอกลับเข้ามาต้นเดินมกลาเนี่ยก็สถานการณ์ของความเจ็บคอเนี่ยก็มากขึ้นในขณะที่ยาเม็ดที่เคยถวายหลวงพ่อฉันอยู่ทุกเช้าเนี่ยก็ต้องย่อยลงย่อยย่อยให้เป็นเม็ดเล็กลงแล้ว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 เป็นยาแกงอังเสบที่ดีที่สุด ส, ดสำหรับอาการเจ็บคอเนาะวิธีการก็คือเราก็จะเอาใบาฟ้าทะลายโจรักใบสดเนี่ยมใบเนาะใส่ลงไปในแก้วแล้วก็เอาน้ำร้อนเท ล, ลงไปประมาณสักหนึ่งในสาหรือหรือครึ่งแก้วพอน้ำอุ่นๆก็กลัค้คอแล้วก็กลืนลงไปเลย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 คุณหมอโรคเลือดนะที่ดูแลหลวงพ่อเรื่องมะเร็งต่อมน้ําเหลืองในคราวที่แล้วเนี่ยะฉะนั้นสิ่งที่หมอตรวจเบื้องต้นก็คือต่อมน้ําเหลืองมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้นะปรากฏว่าก็เท่าที่ดูสีหน้าท่าทางของคุณหมอก็ไม่มีอะไรที่ดูดูผิดปกติไปคุณหมอก็ตรวจตามทุกอย่างตามปกติ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 เราก็กลับลงไปเจอคุณหมอดมศักดิ์อีกครั้ง mm hmm. คุณหมอดมศักด์ก็บอกบอกว่าให้เรานัดทำเพทสแกนเพทสแกนก็จะเป็นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ละเอียดอันหนึ่งนะฮะบอกว่าให้นัดทำเพทสแกนปรากฏว่าก็เราก็นัดเลยทันทีแล้วก็ได้นัดวันที่2ี่ก้ามกราพอนัด วันที่29มกราคมเนี่ยก็ทำเพชสแกนตอนนั้นก็ติดตุดจีนเนาะคุณหมอก็นัดให้มาดูมาดูผลนในวันที่ในวันที่2หรือวันที่3กุมภานี่ยละปรากฏว่าพอนัดวันที่2วันที่3กุมภานเนี่ยก็ปรากฏว่าผลของเพชสแกนเนี่ยก็มีคมีสัญญาณเนาะ ของโลกมะเร็งเกิดขึ้นคุณหมอก็ยังไม่ได้บอกอะไรเราเนาะก็มีเพียงแต่ว่าอ่านอ่านในใบคล้ายๆว่าใบตรวจคร่าวๆเนาะเท่าที่เราพอที่จะเหมือนกับพออ่านได้เนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับมันมีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นวันที่4ี4ค่คุณหมอก็นัด4ี่คุณพาคุณหมอก็นัด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 คุณหมอเประสาทก็สังเกตบอกว่าหลวงพ่อกลืนอาหารเนี่ยดังเอื้อบางคําคือการก็กลืนอาหารดังเอื้อกก็คือหลวงพ่อก็จะฉันข้าวต้มเนาะใช่ไหมฮะมันก็ไม่ได้กลืนยากอะไรแต่ว่าปรากฏว่าหลวงพ่อก็กลิ่นดังเอื้อให้เราให้เราได้ยินอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้ น, น, นก็ปรากฏว่าตรงนั้นก็เป็นเรื่องของการกลืนอาหารหลวงพ่อก็กลืนยา ก, ยาก วันที่กลับมาจากกลับมาจากโรงพยาบาลจุฬาอีกครั้งหนึ่งก็คุณหมอภาษาก็นิมนต์ฉันอีกทีหนึ่งวันที่25มกราคมกลับไปกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นหรือวันที่เนี่ยอาจจะจําไม่ได้แน่นอนนะ24หรือ25เนี่ยปรากฏว่าคุณหมอภาษาเขาบอกเราบอกว่า วันนี้หลวงพ่อกลืนอาหารดังเอื้อมากขึ้น <c oughs> คือเหมือนกับว่าคราวก่อนนั้นบางคำดังเอื้อกแต่คราวนี้ก็กลืนน้ําก็ดังเอื้อก <c oughs> ก็น้ําก็กลืนลำบากขึ้นแล้วก็ในช่วงนั้นก่อนที่จะถึงวันที่สี่กุมภาเนี่ยหลวงพ่อก็ตอนเย็นนะครหลวงพ่อชันอาหารได้น้อยลงมากๆเนื่องจากว่าหลวงพ่อบอกว่าสงสัยคอหลวงพ่อเนี่ย จะเหลือช่องอยู่แค่ประมาณเม็ดข้าวสารหลวงพ่อบอกอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ตอนเย็นหลวงพ่อก็ขอขอให้พวกเราจัดโจ๊กทบายหลวงพ่อเพระเนื่องจากว่าหลวงพ่อก็กลืนอาหารได้น้อยมากๆนะฮะน้อยมากๆในช่วงการฉันเช้าปกติที่หลวงพ่อเคยฉันเป็นอาหารหนักก็ก็ฉันได้ไม่เท่าไหร่เพราะนั้นนันคือตอนเย็นก็ ต้องต้องมีอาหารถวายหลวงพอ่อก็เป็นโจ๊กนะช่งนั้นก็จะเหลือเป็นโจ๊กอย่างเดียวซึ่งโจ๊กหลวงพ่อก็จะตักนิดๆนะคำเล็กๆคำเล็กๆถ้าใหญ่กว่านั้นก็จะก็เรียกว่าจะสำลักซึ่งแค่คำเล็กๆเวลากลืนหลวงพ่อก็จะมีการกระแอมกายมีมีนิด ๆ, ๆหน่อยๆแต่ว่าความที่หลวงพ่อก็เหมือนกับว่า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 หลวงพ่อกลืนอะไรไม่ได้อีกแล้วเพระนึ่งองจางว่าหมอก็สั่งมาวันนี้จะสองกล้องนะกล้องกดน้ํากดอาหารปรากฏว่าเวลาสองกล้องเนี่ยก็เป็นเวลาที่ประมาณสิบโมงเช้านะแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นเป็นเวลาที่ที่สมควรหลวงพ่อจะได้ฉันยาความดันหลวงพ่อก็บอกบอกว่ามันมีมีอาการถามคุณหมอคุณหมอก็บอกว่ า, วาก็ก็ฉันได้นะก็ โยมพี่หมูก็จัดยาให้หลวงพอ่อยาเม็ดยาเม็ดความดันเป็นยาเม็ดเล็กๆเกนาะปรากฏว่าก็ย่อยให้หลวงพ่อเป็นประมาณสักแซีเม็ดเล็กนิดเดียวนะหลวงพ่อก็บอกว่าเล็กกว่านั้นอีกเล็กกว่านั้นอีกอย่างเงี้ยเดี๋ปรากฏว่าก็จัดให้หลวงพ่อตามที่หลวงพ่อบอกกลืนหลวงพ่อกลืนปุ๊บนะฮะก็กลืนไม่ลงนะฮะกลืนไม่ลง น้กพก็อมน้ําอยู่นานก็กลืนไม่ลงอย่างเงี้ยปรากฏว่าน้ำพ่อก็พยายามกลืนอยู่ก็กลืนไม่ลงก็ถึงเวลาที่เราก็าไปตรวจก็เรียกว่าสองกล้องตรวจประดินที่ห้องสองกล้องตรวจก็หมอก็พบว่าพออ้า ป, ปากขึ้นมาสองกล้องปุ๊บก็ยาเขาค้างอยู่ที่ ครั้งอยู่ที่คอด้านล่างนะก่อนที่จะกลืนลงไปลงไปต่ํากว่าทิ้นไก่ลงไปอีกหน่อยปรากฏว่าก็นั่นก็เป็นเป็นสิ่งที่เหมือนกับหมอก็เห็นอยู่เลยนะครับว่าลาคอเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะใช้กลืนอาหารได้อีกก็หมอก็เลือกกล้องเนาะครั้งแรกก็เลือกกล้องที่ใหญ่หน่อยที่จะใส่ปรากฏว่า หาช่องใส่ไม่ได้ก็พยายามปลุกปล้มกันั้องเล็กใช้คำว่าปลุกปล้มกันอิรุกขาักอยู่ระยะหนึ่งแล้วปรากฏว่าท้ายสุดก็ไปหากล้องที่เป็นกล้องเล็กๆมาก็พยายามที่จะใส่ปรากฏว่าก็กล้องเล็กๆก็ใส่ลงไปได้พอผ่านจุดที่ตันตรงนั้นไปเนี่ยก็คุณหมอก็ พูดขึ้นมาว่าอ๊ะข้างล่างไม่เห็นมีอะไรนี่อย่างเนี้นะยเนาะดังนั้นก็ปรากฏว่าคุณหมอก็หันมาถามเราบอกว่าอจะต้องใส่สายยางใส่าใสายยางให้อาหารเนี่ยจะใส่เลยไหมอย่างเนี้ยนะเราก็บอกว่าว่าเอาก็มันกล่นอาหารไม่ได้แล้วว่าคุณหมอก็ใส่เลยอย่างเนี้ยนะฮะก็ปรากฏว่าก็คุณหมอก็ใส่ใสายยางทั้งจมูก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 ต้องมีสายยางประกอบกันให้อาหารตั้งแต่นั้นมานะจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของหลวงพ่อในวันที่23เนาะที่ผ่านมาตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าร่างกายหลวงพ่อก็น่าจะมีโรคมะเร็งเนาะเาเรียกว่าก่ขอขึ้นก่อัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ตอนช่วงนั้น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 เหมือนกับการที่จะปรากฏออกมาด้านนอกหรือเรอยียงตานานานเ่านี้ก็น้อยตอมน้าเหลืองที่ข้างๆคล้ายาว่าใต้หูเนี่ยเหมือนกับปรากฏขึ้นมาก็ประมาณตอนนี้จาไม่ได้นะฮะก็น่าจะประมาณสัก2เดือนหลังจากนั้นนะเหมือนว่ากลับมาอยู่ที่วัดแล้วด้วยซ้าไปพอาเนื่องจากเราอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณสองเดือนนะวันที่26มีนาก็กลับมา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 ก็เป็นวันที่คืนนั้นหลวงพ่อก็ต้องใช้ออกซิเจนเนาะจริงๆในสองเดือนย้อนกลับไปเนี่ยหลวงพ่อก็ถือว่าการหายใจอะไรต่างๆนานานเหล่านี้ถือว่าดีมากนะดีมากคือก่อนหน้าที่จะถึงสองเดือนสุดท้ายนี่หลวงพ่อบางวันเนี่ยต้องใช้ออกซิเจนต่อเนื่องกันถึง4วันอย่างเนี้ย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 ขยายใหญ่ขึ้นมากแล้วก็เวลาที่เราไปสัมผัสโดยการที่อะไรนะก็เรียกว่าใช้สายเนาะใ ช, ใช้สายสายเชือกที่จะรัดรัดคอหลวงพ่อเพื่อที่จะเอาตัวครอบออกซิเจนเนี่ยครอบไปที่คอหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็เจ็บแ ล, ล้วหลวงพ่อก็ปฏิเสธปรากฏว่าอีกคืนถัดมาเนี่ยก็หลวงพ่อก็ได้รับยารับยาจากก็เรียกว่า คุณหมอที่เป็นคุณหมอแผนปัจจุบันแต่ว่าหันไปทํเกาเรียกว่าแพทย์ทางเลือกนะก็ใช้กระบวนการที่เรียกว่าโฮม e โอพาธีในการรักษาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้รับยาวันนั้นปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยกเราก็ขอขอโอกาสหลวงพ่อให้ออกซิเจนหลวงพอ่อตามที่เรามองเห็นว่าหลวงพ่อน่าจะได้รับอย่างนีปรากฏหลวงพ่อก็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 จะเป็นปากก็ดีจะเป็นจมูกก็ดีเนี่ย mm. ก็ต้องเรียกว่าใช้ไม่ได้อีกแล้วนะอย่างนั้น mm. ก็คือจมูกก็ไม่สามารถหายใจได้เลยปากก็ไม่สามารถกลืนอะไรได้เลยน้าลายก็กลืนไม่ได้นะอย่างเงี้ยอย่างนั้ น, น, นตั้นแต่วันนั้นมาหลวงพ่อก็บอกบอกว่าคือบททวัติติ่งใช่ไหที่เป็นบท32อาการ32เนี่ยหลวงพ่อ ก, ก็บอกว่าต้องเพิ่มเข้าไปอีก2รายการก็คือ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 ยานี้เนี่ยช่วยให้อาการบวมของหลวงพ่อเนี่ยลดลงภายในเวลาประมาณยี่สิบนาทีแล้วก็เขาเรียกว่าดันดันหลอดคอเนี่ยกลับเข้าไปได้เข้าที่นะแล้วหลวงพ่อก็อยู่มาได้ต่อมาจนกระทั่งถึงวันที่ยี่สิบสามยังดีอะไรเงี้ยนะวันนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าโนตก็สั่งท่านอานบอกว่าไปบทยามาเลยในขณะที่พระเจ้าโนตก็ไปเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมฉีดยาฉีดเด็กซ่าเข้าไปที่ แต่ว่านอกจากกินก็ต้องฉีดด้วยเพราะว่าสถานการณ์นะั้นดูไม่ค่อยดีเลยอย่างนี้นะอยู่นั้นพระอาจารย์หลวงก็บอกบอกว่ า, วาให้ให้ผมเนาะแบบว่าดูแลเรื่องการครอบหน้ากากออกซิเจนแล้วก็ดูแลเรื่องเรื่องเรื่องการช่วยหลวงพ่อหายใจด้วยออกซิเจนก็ตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ตีสีนี่ยจนถึงถึงตีห้าก็ได้ทําหน้าที่นั้นตลอดก็คือ เอาออกซิเจนเนี่ยจาะตรงช่องนะช่องหายใจของหลวงพ่อปรากฏว่าพวกเราก็นะคนหนึ่งก็ท่านอันก็มากรอกยาใส่เรียกว่ากรอกยาใส่สายทางหน้าท้องหลวงพ่อพระเจโนตก็เปิดก้นหลวงพ่อแล้วก็ฉีดยาเนาะคือถ้าเป็นภาพก็คนหนึ่งก็เขาเรียกว่ากําลังเจาะท่อหายใจอยู่อีกคนหนึ่งก็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 ประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะจำได้ว่าตอนที่กดกดตัวทิ้วตัวเนี้ยนะเข้าไปเนี่ยหลวงพ่อก็จะมีสีหน้าที่บอกเราบอกว่ามากกว่านี้ไม่ได้ละเพราะว่าเจ็บแล้วก็ที่หลวงพ่อมีสัญญาณบอกเจ็บอีกอันนึง<ม>ก็คือพอเรากดปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อจะจะจับตรงประมาณลิ้นปีตรงเนี้ยเนาะว่า ว่าทำหน้าตาบอกเราบบกว่าเจ็บหลวงพ่อพูดไม่ได้นะตั้งแต่เจาบคอมามาที่ยี่สิบหกกุมภาหลวงพ่อก็ใช้วิธีการสื่อสารผ่านการเขียนตลอดหรือแม่ก็ใช้มือใช้สีหน้าท่าทางอะไรตานาน่าเหล่านี้ปอกก็ปรากฏว่าครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วก็อิรุกุขลักกันอยู่นะหลวงพ่อก็ปัดปัดมือพวกเราน้อยหนึ่งหลวงพ่อก็บอกว่าขอเข้าห้องน้า ปรากฏว่าหลวงพอ่อก็เข้าห้องน้ําเดินเข้าห้องน้ำนะั้นลุกขึ้นมาแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำหลวงพ่อเวลาที่ลุกเวลาที่นั่งเนี่ยนะหลวงพ่อจะลุกนั่งแบบที่เรียกว่ารู้สึกตัวนะรู้สึกตัวมีสติกับการลุกกัรนั่งดีมากๆนะฮะหลวงพอ่อก็ลุกขึ้นมาแล้วหลวงพอ่อก็ประคองตัวด้วยการจับด้วยการแรงตนนานาไม่มีการพลวดพลาดในการเดินไม่มีอะไรต่างๆ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 ชีพจรสูงก่อนหน้านี้ตอนช่วงตีสี่นี่ออกซิเจนหลวงพ่อได้ก็เรียกว่า97้าสเจแล้วก็ชีพจรได้เจก็ถือว่าดีมากๆนะตอนที่พวกเรามองเห็นว่าวิกฤตเกิดขึ้นแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ปรากฏว่าตอนนั้นหลวงพ่อก็หายใจดีแล้วก็ชีพจรก็ดีมากๆนะฮะอย่างนั้นตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเราก็ เหมือนกับก็ทำหน้าที่ของตัวเองเนอะพระเจ้านพก็ปรึกษาหารือแล้วก็ดูว่าจะทำยังไงดีอะไรต่างๆนานาเหล่านั้นก็ผมเองก็ทำหน้าที่จอออกซิเจนอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อปรากฏว่าอีกประมาณสักไม่ถึงห้านาทีถัดมาเนี่ยหลังจากที่วัดว่าออกซิเจนในเลือดหลวงพ่อดีเนี่ยก็ปรากฏว่า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 ทำไม้ทำเมบอกว่าขอกระดาษขอดินสอเขียนอะไรก็ยืน่นกระดาษยื่นดินสอให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็เขียนเนาะเขียนขยุกขยิก็เลยอยู่สักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วก็ส่งกระดาษให้พระจนนันทร์นธพระจนนันทร์นธรับกระดาษแล้วพระจนนันทร์นธก็บอกว่าอ่านไม่ออกแล้วพระจนนันทร์นธก็วางไว้แต่ในขณะที่หลวงพ่อส่งกระดาษให้เนี่ยหลวงพ่อก็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 ปรากฏว่าได้ได้ยินเสียงลมหายใจของหลวงพ่อหยุดลงคือในขณะที่อาจารย์นโนดหยิบกระดาษไปอ่านอะไรต่างๆหน้าเหล่านี้ก็ผมก็คอยฟังเสียงลมหายใจของหลวงพ่ออยู่คอยสังเกตใบหน้าท่าทางของหลวงพ่ อ, อว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหลังจากที่บอกว่าหายใจไม่สะดวกตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าเสียงลมหายใจก็ออ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 สงสัยหมดหวังแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคือหมายถึงในในใจก็สงสัยตามบอกว่าจะโนดอย่างเนี้ยนะพอหันกลับมาที่หลวงพ่อทีหลวงพ่อก็คอขนาดที่นอนนอนตะแคงอยู่เนาะอย่างเงี้ยคอเาก็พับลงอย่างเงี้ยหมดแรงฝืนอนอย่างนั้นแล้วก็น้ามูกก็ไหลน้ำลายก็ไหลแล้วก็อีกเดี๋ยวหนึ่ง หลวงพ่อก็ฉี่ฉี่ลาดเกินเกน่งก็สัญญาณสัญญาณตรงนั้นก็เป็นสัญญาณสุดท้ายก็ไม่ทันที่พระอาจารย์เปสารจะไปถึงพวกเราก็พระจัโนโฑก็บอกให้เมียวฉือ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 ก็พระจันโนดก็เป็นคนพลิกผมเองก็บอกพระจันโนดบอกว่าตามที่หลวงพ่อเคยบอกนะพระจันโนดดูหน้าดูใบหน้าหลวงพ่อด้วยดูจัดหน้าหลวงพ่อด้วยดูจัดหน้าหลวงพ่อให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็ในขณะที่บอกก็มองไปที่หน้าหลวงพ่อเนาะหน้าหลวงพ่อที่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 นะมือไม้หลวงพ่อก็วางอยู่ในตําแหน่งที่สบายๆนะฮะตรงนั้นเท้าก็ดีอะไรก็ดีก็อยู่ในอาการที่ไม่ได้ไม่ไ ด, ไไ ด, ไได้ไม่ได้กลัวไม่ได้เกร็งไม่ได้ปืนไม่ได้เห็นว่าอาการที่หายใจไม่ได้ตรงนั้นจะเป็นอาการอะไรที่ยิ่งใหญ่มากมายก็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 อาการของหลวงพ่อตรงนั้นก็ช่วยให้พวกเราที่ดูแลอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ลูกรีลุกหล่อนอะไรมากก็คือยอมรับสภาพแต่ว่าอาการของการที่ดับจะเรียกว่าดับไปดับไม่เหลือของหลวงพ่อก็ก็ปรากฏให้เราหเห็นเหตุการณ์ก็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 กลาบหลวมพ่อกำเขียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พวกเรากลาบภาพพร้อมกัน